เอาหน้าอย่าซสีเรียกเรื่องธรรมะนอกธรรมาธ์ชาวบ้านจํานวนหนึ่งขุดแต่งคูน้ำอยู่ข้างวัด ขุดไปไม่นานก็ได้ค้นพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนงดงามสมบูรณ์แบบหาที่ติม่ได้จึงนำมาประดิษฐานไว้ในอุโบสถประชาชนที่ทราบข่าวต่างหลังไลลกันมาบูชาสักการะทุกคนที่ได้มาเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ต่างาพากันออกปากยกย่องชมเชยความงามอยู่ไม่ขาดปากแต่กระทาชายนายหนึ่งเป็นคนช่างติแกยืนพินิษพระพุทธรูปอยู่นานก็หาช่องติไม่ได้เดินวนไปวนมาอยู่ร่วมชั่วโมงก็นึกขึ้นมาได้จึงโพลงขึ้นท่ามกลางประชุมชนว่าพระพุทธรูปองค์เนี้ย สวยงามล้าเลิศอย่างที่ทันทั้งหลายว่าจริงๆแต่ขาวานนะถึงอย่างไรก็ยังมีที่ติอยู่ดีเหลืวะงามขนาดนี้ยังมีอะไรให้ติอีกหรือพอคุณเสียงใครคนหนึ่งถามขึ้นมีสิพระพุทธรูปองนี้ถึงจะ ง, งามอย่างไรแต่ก็ยังมีข้อเสียคือพูดไม่ได้อยู่ดีแหละเขาว่าพลางยิ้มอย่างผู้เหนือกว่า แล้วเดินแหวกฟูงชนออกมาใครคนหนึ่งรำพึงตามหลังว่านี่แหละนะที่พระท่านว่านัตติโลเก อ, อันนินทิโตคนไม่ถูกติไม่มีในโลกเฮอ้อ